ก็รู้ว่าหลงมันก็กรืออลงเข้ากับมาธิสบาแต่ว่าตอนข้างเขาเห็นามันมันมันเ่อีกเไ้ตมันไม่ไเป็นสบาลอดเวลาือได้ดูไปด้มันดูคนอื่นร่ากายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจเหมือนคนอื่นดูอย่างนี้นะความทุกข์ก็ไม่มีที่จะตั้งุไปเต้ไหนั ดีแล้วคุณหมอดูไปนะดเอา้าโยมนน้นเป็นไงแม่นิบอ่ะได้พาวนาบ้างไหยนะทำเรื่อยๆ เ, อเดินเดินรับคอยดูใจเดินไปเดินไปใจหนีไปคิดรู้ทันเดินแล้วใจไปเพ่งนิ่งๆขึ้นมารู้ทันนะเดินแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงเดินรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยนะอาจาร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 ตอนถึงขนาดถึงจุดหนึ่งจะเห็นเลยไม่ใช่ตัวเราพอารวางความยึดถือกายึดถือใจได้ก็จะพ้นทุกข์จริงๆของคุณนั่นแหละถัดไปเป็นไงเพิ่งเ ร, เ, รเริ่มเหรเพิ่งเริ่มเหียวเลิกเร็วก็แล้วกันเริ่มไปเรื่อยๆนะขยันดูนะไปแต่ดูอ่านใจตัวเองไปรู้สึกไหมแต่ละวันใจเราไม่เหมือนกันบางวันก็มีความสุขบางวันก็เป็นทุกข์นะบางวันก็ดีบางวันก็ร้ายเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นี่เป็นไงนี่พิทาประคองไหมดูเรื่อยๆยังประคองนะดูออกเปล่าอาอสตันเออมันก็ต้องรู้เท่าที่รู้แหละตอบถูกนะตอบอย่างนี้ไม่ผิดหรอกรู้ให้บ่อยหน่อยก็แล้วกันรู้เรื่อยๆรู้สบายสบาย ผู้กำกับว่างไงผู้กำกับใจเย็นเยอะครับโเคนใจร้อนฝึกนะฝึกแล้วมีความสุขแต่ไปใครใครมาเข้าใกล้เรานะก็มีความสุขเนี่ยยิ่งกว่าเมตตามหานิยมอีกดูครูบาอาจารย์นะแ ก, ก่มากๆถ้าเป็นผู้ชายผู้ทั่วไปแก่อายุแปดสิบเก้าิบไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะ คูบาอาจารย์ภาวนามาตลอดชีวิตยิ่งแก่คนยิ่งอยากเข้าใกล้มีเมตตามหานิยมนะอัตโนมัติแต่พอดูของเราไปอ้าวหนุ่มนี่เออาาาาเออใช่ใช่นดูไปนะดูจนเห็นมันมันร่วมเป็นแท็กทีมไม่เกี่ยวกับเราเลย นะเราทำอะไรไม่ได้หรอกมันร่วมกันเป็นทีมดีแล้วที่เห็นเรานอางนี้คือเราเป็นยุคแรกที่เราได้ฝึกสมาธิใไบก็เเกิดับเกิดดกิัจินิ่งอมีอย่างงานมไออกนปาแมีคอคื อ, ค, อคือสงบพักผ่อนไปนะพอจิตถอยออกมาก็ไปรู้ความติดแรงของจิตไปใช่ นะจิตเข้าไปพักก็ให้เขาพักไปไม่ฝืนก็หรอกนะให้เขาพักไปแต่ว่าถ้าพักนานไม่ยอมเจริญปัญญานะหลายเดือนก็อยู่อย่างนั้นอันี้ต้องแก้แล้วเราออกมาค้นควา้าพิจารณาร่างกายอะไรเงี้ยนะให้มันคิดให้มันทํางานไม่ให้ติดเฉยแต่ของเราไม่ได้ติดเฉยของเราไม่แค่สงบการทําสมาธิถอยออกมาจิตก็ทํางานเจริญปัญญาดได้ก็ไม่ต้องแก้อะไรนะอา้าคุณถัดมา อันนี้เกิดก็ด้นั่งนะอะไรนะ่าดังนิดสิตอนแรกน่เกรียดเอเอนะ่ยยังเกรงหน่อยๆดีแล้วดูไปเห็นสภาวะแล้วใช้ได้แล้วอ่ะคุณดูเรื่อยๆดีแล้วอ่ะใครจะส่งกันบ้านต่อ เออดีงงรู้ว่างงเลยนะคือตัวไม้ตายมันมีสองตัวตัวสงสัยสงสัยทำไงดีนะตัวหนึ่งขี้เกียจเบื่อขี้เกียจพอเบื่อแล้วเลิกปฏิบัติพอสงสัยแล้วคิดนะแทนที่จะรู้เอา <c oughs> อ, อาจารย์อาจารย์ตู่อ่ะ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 เราไม่ต้องไปดักดูว่าตัญหาจะเกิดตอนไหนอะไรเงี้ยไปดักไว้ก่อนไม่ได้นะมันจะเหนื่อยถ้าดูเล่นๆไม่เหนื่อยหรอกแล้วไงอีกอะไรนะอา้าวกระจูนอา้าวจูน ดูไปได้ดูให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเรานะ่ไแอนจะไหลไปนเนี่ยอนีภาวะตมรู้แล้วรู้่ากับางน้ก็าันได้อย่างกไม่ได้ไ อ, อ, อา่าเลือกไม่ได้ เออก็เห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละเออดีนะฝึกแตกนะตอนนี้ในห้องนี้จะเกินครึ่งหนึ่งนะเห็นสภาวะละในห้องนี้เห็นสภาวะเยอะแยะนี่การที่เราจิตมันจําสภาวะได้แล้วสติเกิดต่อไปสติจะยิ่งเกิดมากขึ้นมากขึ้นเพราะจิตมันรู้จักสภาวะ<แ>ได้แม่นได้มาก เป็นอย่างนั้นทุกคนนะเป็นทุกคนนะแล้วทุกขั้นตอนของการปฏิบัติเลยบางวันเหมือนมักผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วบางวันเหมือนคนปฏิบัติไม่เป็นเป็นธรรมดาอย่างนั้นน่บเนกลเขนยเออนนเป็นความสําคัญจิตของเราที่จริงก็คือไม่ต้องไปพยายามหรอกเขากําลังสอนธรรมะเราว่ามันไม่เที่ยงนะบังคับไม่ได้นะเขาไม่ใช่ตัวเรา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 พระพุทธเจ้าสอนบอกว่ากราบใดที่มีผู้เจริญสติลาหันจะไม่หมดไปจากโลกนะหรืออย่างน้อยพระโสดาสกีถากาอะไรนี่ก็ เ, เป็นอันหวังได้เราะนั้นมีหน้าที่เจริญสติไปเรื่อยนะอยากให้สติเกิดก็รู้สภาวะไปเรื่อยๆแลนะสติเกิดเองพอสติเกิดแวบขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินี่คือตัวสัมมาสมาธนะิแล้จิตตั้งมั่นจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นตัวปัญญา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 แต่จิตเราจะรู้สึกว่าจิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เมียมีคนเดิมอยู่นะเพราะนั้นถ้าคอยรู้จิตที่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวอกุศลเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเนี้ยเดี๋ยวไปทางตาไปทางหูไปทางใจนะถึงวันหนึ่งปัญญาแจ้งจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะพอเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจะไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกแล้วเพราะกายก็ไม่ใช่เราไปก่อนหน้านะนะั้นละ อันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเราก็สักกายทิฏฐิถูกละไปไม่เห็นผิดว่าอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเราเนะมื่อสักกายทิฏฐิถูกละไปแล้วมีคนมาถามนะมาถามหมอนัฐมาถามแล้วถัดอย่างนี้ทํายังไงอีกนของแกตัดไปแล้วถัดจากนี้ก็ดูอีกดูอย่างเดิมรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปนะขั้นแรกเบื้องต้นเราฝึกรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา เบื้องปลายเนี่ยฝึกเพื่อจะละความยึดถือในกายในใจมันจะละความยึดถือกายไปก่อนส่วนใจเนี่ยหวงแหนที่สุดเลยพอาวางใจลงไปแล้ววางสนิทนะไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกความทุกข์ก็จะหมดไปมีบทสวดมดนต์อันหนึ่งนะท่านบอกขันห้าเป็นภาระเป็นของหนักอะคนแบกของหนักพาไปไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเคยได้ยินไหมนีิด พรริยะเจ้ามายถึงพระอรหันต์วางภารัลงแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็พ้นจากทุกข์ใจของเราหยิบฉวยดูออกไหมยิบหยิบหยิบหยิบไปเรื่อยนะห้ามไม่ให้หยิบก็ไม่ได้ไม่เชื่อที่หยิบไปเรื่อยๆคอยรู้คอยดูไปหยิบที่ไรเป็นทุกข์ร่ำไปเนี่ยท่านบอกหยิบที่ไรก็เป็นทุกข์ร่ำไปดูไปเรื่อยๆจนวันหนึงมันฉลาดมันเลิกหยิบเองไม่ใช่เราไปห้ามมันนะห้ามไม่ได้อ้าวลอตเป็นไงล็อต เป็นบางครั้งไม่ทุกครั้งนะถ้ารู้ถูกต้องเนี่ยจิตก็เบิกบานัันบ้างเป็นอุเบกขาบ้างมีสองอย่างบางทีก็เป็นกลางบางทีก็มีความสุขเวยแผ่วๆขึ้นมาเนะวยฝุดขึ้นมาแล้วจิตที่เป็นกุศลมีเวทนาสองชนิดเรียกว่ามีโสมนัสเวทนามีความสุขความเบิกบานมีอุเบกขาเวทนาเป็นกลางแต่กลางแบบนุ่มนวล น, นะไม่ใช่กลางแข็งกระด้าง ถ้าจิตเป็นอกุศลแล้วก็มีความทุกข์ทุกเยอะมีความสุขก็ได้นะจิตอกุศลนะเช่นไปขโมยก็ได้ดีใจมีความสุขเนี่ยงั้นถ้าจิตของเราเป็นกุศลมีความสุขขึ้นมาก็ถูกต้องแต่ว่าเราจะเอาความสุขมาวัดว่าจิตเป็นกุศลไม่ได้นะจิตอกุศลก็มีความสุขแต่ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ชี้ขาดได้เลยอกุศลแน่นอน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 นี่ท่านไปบวชอยู่สามวัดทางอีสานท่านเขียนจดหมายมาเล่าเร่องเนีแต่เดิมท่านก็ภาวานางไงสติไม่เกิดทําไงก็ไม่ยอมเกิดท่านก็อยากได้นาฬิกาปลุกเห็นเขาขายนาฬิกาปลุกเห็นเขาโฆษณานะอยากได้นาฬิกาปลุกสองนาทีเขยา่าจะได้ตื่นกับเขาบ้างนี่หาไม่ได้นะไม่มีคนให้นิดเดิมท่านะเป็นนักวิยาศาสตร์มีหน้าที่นับเชื้อโรคมีเครื่องนับเชื้อโรค เวลาสองกล้องเห็นเชื้อโรคตัวหนึ่งก็กดแก๊กหนึ่งมันจะขึ้นเลขไว้เป็นตัวนับคเคาน์เตอร์นะพอท่านเอาตัวเนี้ยมาใช้เผลอทีหนึ่งกดทีหนึ่งเผลอทีหนึ่งกดทีหนึ่งนะเดี่นนี้บอกได้วันละสามร้อยกว่าครั้งละเผลอวลามร้อยกว่าครั้งเ อ, อ ช, ชักเข้าท่าแต่ท่านบอกว่าเวลาที่ท่านไปบินธบารเวลาอาบน้ําเวลากวาดวัดเวลาฉันข้าวเนี่ยกดไม่ได้ อย่างบินทบาตไปสล็อกดไปนะไม่มีใครกลาา้าใส่ปาดกเขาเดินหนีเลยนะเขาไม่ได้กดแต่ขนาดที่ไม่ได้กดนั่นอ่ะจิตไหลแวบก็ เ, เห็นแวบก็ เ, เห็นนะเนียท่านจําสภาวะจิตของท่านจําสภาวะของความหลงความเผลอได้ละพอเผลอไปก็รู้สึกเผลอไปก็รู้สึกต่อไปจะยิ่งถี่ขึ้นเรื่อยเรืความรู้สึกตัวการอยู่กับปัจจุบันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นมันถี <c oughs> ่มากเข้ามากเข้ามันจะรู้สึกเหมือนกัะรู้สึกว่าต่อเนื่อง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 อ๋อธรรมดานะส่วนมากพวกเทวดาเลยภาวนายากมีแต่ความสุขนะเพลินเพลิญเพลินแ ต, แต่เวลาจิตใจมีความทุกข์มันต้องหันหันมาต่อสู้ก็ขยันดูในความทุกข์ก็ดีเหมือนกันนะทำให้ขยันปฏิบัติให้ดูไปนะอย่าเอาแต่ต่อนทุกข์นะตอนสุขก็ดูนะเอาผัดมาผัดมาหลบใหญ่เอาเป็นไงคุณผู้หญิงนันอ่ะหืม เผลอเยอะไหมหรือเผลอานานเผลอานานไม่ดีนะถ้าเราเผลอานานเราต้องมีเครื่องช่วยนะเครื่องช่วยทำให้เผลอสั้นลงก็คือเครื่องหัดรู้สภาวะนั่นเองให้เราทำกรรมฐานที่เราเคยทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยทำมาแล้วเนี่ยทำต่อไปคนไหนเคยพุโทโธพุโทโธต่อไปคนไหนดูลมหายใจดูต่อไปคนไหนดูท้องพองยุบดูต่อไปไนะใครยกเท้าย่างเท้าก็ยกเท้าย่างเท้าต่อไป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 หาจรู้ทันสภาวะของจิตบางคนฝึกดูท้องของยุบดูต่อไปไม่ต้องเลิกดูท้องของยุบไม่ใช่ไปเพ่งท้องถ้าไปเพ่งท้องเป็นสมถะถ้าดูท้องของยุบแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตจิตไปเพ่งที่ท้องก็รู้ทันจิตจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ทันจิตในที่สุดเราก็จะรู้จักสภาวะของจิตนี้เยอะแยะเลยหาจรู้สึกไปทุกวัน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 จะเกิดทีขึ้นจีขึ้นไม่เผลนานเพราะงั้นการปฏิบัติเรายังเป็นเพื่มือใหม่ก็ต้องมีเครื่องช่วยนะการปฏิบัติตามรูปแบบนั่นแหละเป็นเครื่องช่วยเราเป็นที่ครูบาอาจารย์แต่ละสำนักผลิตอุบายเป็นอุบายเท่านั้นแหลนะะผลิตอุบายขึ้นมาทําอย่างงั้นซีทําอย่างนี้สิถ้าเราตั้งหลักให้ถูกนะทําไปเพื่อให้เกิดสติเราก็ใช้ได้ถ้าทําไปเ พ, เพื่อจะเพ่งเพ่งมาอยู่อย่างเดียวนะใช้ไม่ได้ดอกได้แต่สมถะ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 แต่ถ้าเราหาอารมณ์กรรมฐานที่เคยทำมาทำเป็นเหยื่อล่อเพื่อจะคอยรู้สภาวะิรสไปสติจะเกิดเองเพราะสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะทำได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะจิตเคยเห็นสภาวะบ่อยๆการเห็นสภาวะบ่อยๆนั่นแหละเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานกายานุปัสนาสติปัฏฐานหมายถึงมีสติรู้กายเนืองเือง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 สติไปะระลึกรู้จิตจะเห็นได้จิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ดูไปนานๆก็เห็นว่าจิตไม่ใช่เราเหมือนกันนี่ทางเดินเดินอย่างนี้นะเพแม้การปฏิบัติตามรูปแบบเป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งสําคัญไม่ควรละเลยนะก่อนนอนไหวพ้พระสวดมนต์ทําสมาธิเดินจงกรมแต่ถ้านั่งสมาธิก็นั่งดูสภาวะไปหัดดูสภาวะไปเดินจงกรมก็หัดดูสภาวะไปจิตเสือไปก็รู้เพ่งก็รู้นะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลนกกุศลรู้ ี่สุดจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองทั้งวันเขคราวนี้นี่แต่บางวันเราเนหน็ดเหนื่อยหลากลรามมากพอเราไปนั่งสมาธิจิตก็รวมสงบลงไปก็ได้พักผ่อนก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ได้สมถะจิตได้พักผ่อนวันไหนพักผ่อนพอแล้วเราก็ขึ้นมาหัดรู้สภาวะต่ออย่างกระทั่งการหายใจอย่างเดียวนะทำได้ตั้งหลายแบบนหะอย่างเรานั่งหายใจ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 นั้นหายใจไปแล้วก็ใจเข้าไปเคล้าแนบอยู่กับลมนะได้พักผ่อนได้สมถนะหายใจไปแล้วไฟหัดรู้สภาวะไป ใ, ใจหนีไปก็รู้ใจเป็นเพ่งก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลนั้นอกุศลก็รู้อันนี้เป็นการหายใจเพื่อหัดรู้สภาวะนะต่อไปสติจะเกิดอะไรเกิดแปลกปลอมขึ้นในจิตนะสติจะรู้เองเลยไปเดินวิปัสสนาด้วยการดูจิตในชีวิตประจํำวันได้ อีกแบบหนึ่งนั่งหายใจไปแล้วเห็นว่าร่างกายนี้หายใจอยู่เราเป็นคนดูกายนี้มันหายใจรูปมันหายใจรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาด้วยการรู้กายด้วยการรู้รูปเห็นไหมแค่หายใจนะัยังทำกรรมฐานได้หลายแบบนะทำแบบไม่มีสติเลยก็เรียกไม่ได้ทำกรรมฐานนั่งหลับนะทำสมถะก็คือเอาใจเข้าไปแนบเคล้าไว้กับลมหายใจ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 มีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมานี่เป็นสมถนะดูท้องพองยุบไปแล้วจิตไหลไปก็รู้จิตมาเพ่งท้องก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้นี่เป็นการถัดรู้สภาวะเดี๋ยวจะไปเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ง่ายนะอีกอานหนึ่งดูท้องพองยุบไปเห็นรูปที่พองรูปที่ยุบที่เกิดดับไปนะรูปที่พองก็อันหนึง่งรูปที่ยุบก็อันหนึง่งจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากต้องมีจิตเป็นผู้ดูอยู่ต่างหากหนะการดูรูปอย่าไปเพ่งลงไปแล้วก็จิตหายไปไม่ได้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 นะเรียกว่าเป็นสรมรูปปักเนะหลือขันเดียวไม่มีนามขันไม่มีความรู้สึกนึกจิตดนะงั้นต้องระมัดระวังการปฏิบัติถ้าไปหลงเพ่งรูปนะาอาจจะพลาดเป็นสรมลรูก ป, ปักได้ขาดสติไปเลยลืมเนื้อลื ม, ล ม, ลมตัวจิตเจิดหายไปหมดเลยนะกลายเป็นต้นไม้ไปงั้นกรรมฐานจริงๆถ้าเข้าใจหลักเนี่ยหยิบอะไรขึ้นมาสัก ง, งานหนึ่งทำกรรมฐานได้ทั้งหมดเลยนะถ้าไม่เข้าใจหลักวก็หยิบอะไรมาก็าผิดหมดเลย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 งั้นไม่ไม่ต้องเถียงกันนะสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนทำถูกก็ดีเหมือนเหมือนกันทำผิดก็ผิดเหมือนเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือติดสมถะเหมือนกันหมดแล้วแหละคุณสุนันเป็นไงคุณสุนันเหรอเออนะเลยถูกไล่ตอนไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันบีบเนี่ยดูไปอย่างนี้นะ แหม็มันยังไม่ทันจะบีบมันเริ่มบีบแล้วรู้สึกไหมรู้เป็นะท่านทาวีชัยเป็นไงท่านเ ท, นะที่ยงเนาะดีดีนะดีอะไรอะไรไม่สําคัญเท่าต้องมีสติบางดีที่เกิดสติจิตก็เป็นกุศลล่ะนี่จะเป็นกุศลระดับไหนล่ะกุศลธรรมดากุศลทั่วทั่วไปก็อย่างหนึ่ง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 จิตจะเผลอไปเป็นอกุศลเราก็เลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้จิตจะรวมเข้าไปสงบเป็นสมถาเราก็สั่งมันไม่ได้นะจิตจะเดินปัญญาเห็นความเกิดดับเราก็สั่งมันไม่ได้นะจิตชอบพลิกไปพิกมาพลิกไปพลิกมานะเราดูไปเรื่อยนะจนมันหนึ่งใจยอมรับไม่ใช่ตัวเราเลยตัวเราไม่มนะีท่านภาวนาเก่งอยู่แล้วนะดีแล้วอาใครจะส่งกันบ้านต่ออาหมูเป็นไง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 ออกมาเจริญปัญญาบ้างอาจารย์สุรวัต์เป็นไงอาจารย์สุรวัตรเอ่เรื่อดีแล้วดูขันไปนะขันห้ามกระจายตัวออกไปพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้หลายแบบสอนกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไป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 ในจารย์สุรวัตรก็จะเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมความรู้สึกสุขทุกข์ก็อีกอันหะนึ่งจิตที่เป็นกุศลอกุศนะลอีกอันหนึง่งธรรมชาติที่เป็นคนรู้คนดูอีกอันหนึง่งจะกระจายนํามาทําออกไปเยอะนะนี่บางคนที่ชอบดูรูปท่านจะสอนเรื่องอายตนนะอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายห่านเนี่มันรูปทั้งหมดเลยนะมีใจเป็นนามาทํามันเดียวนะนี่ท่านก็สอนอายตนะสําหรับคนที่สนใจเรื่องรูป ถ้าบางคนชอบรู้กว้างขวงท่านจะสอนเรื่องธาตุธาตุจะมีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมรวมกันเยอะแยะเลยนะเช่นตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปธรรมใช่ไหมความรับรู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นนามธรรมรูปเสียงกลิ load, ่นรสผลทพะเป็นรูปธรรมธรรมารมมีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมนี้สําหรับพวกที่ต้องการรู้เยอะ จิตนิสัยต้องรู้ละเอียดรู้รูมากอย่างนีน้จะเรียนเรื่องธาตุนี่ธาตุเรียนยากพวกเราชาวเมืองพวกคิดมากเรียนเรื่องขั น, น ง, ง่ายที่สุดเรียนอายตนะอย่างยากนะอายตนะอายตนะเ็ น, นเล้นเด็กพวกที่รู้กายนี่นจะทําได้ดีต้องจิตตั้งมั่นทําชานแต่การดูขันเนี่ยดูง่ายดูไปเลยเห็นมันกระจายตัวออกไปแล้วเราไม่มีแต่จาสวัสเห็นไหมว่า ม, มีการหยิบช่วยจิต ดูออกใช่ไหมเช้าขึ้นมาก็จะหยิบชฉวยจิตไว้ก่อนอย่างอื่นเลยหยิบเอามาดูดูไปนะหวังว่าดูไปวันหนึ่งแล้วจะหลุดพ้นอนะ่ะจะดูไปเรื่อยๆ ต, ตอนนี้มานผจญอาคุณแ ม, ม่หายไปนานเป็นไง อ, อะไรนะทำอะไรเหมือนเดิม เราหัดนะหัดนะคุยน้อยๆนะอยากคุยเยอะคุยคุยเยอะไม่ดีคุยเยอะแล้วฟุ้งซ่านดูยากไม่คุคลีคุยน้อยๆดูเยอะๆเ ย, ยี่ยงเป็นไงเยี่ยงเดียววเด๋ยวสว่างเดี๋ยวมัวเดี๋ยวว่างว่างดูไปไม่เที่ยงสองงานนี้เสมอกันไหมหรือไม่เสมอ ถูกต้องแล้วเพราะใจเรายังไม่เป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะรู้ลงไปเรื่อยคุณวัดสันเป็นไงบูชาละ่ะตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เพ่งเกิดไปอ้าใครจะส่งกันบ้านอีกเชิญอ้าคุณอ้อย ทำในรูปแบบบ้างนะหมดเรื่องเนี่ยอ่ะฟลนี้ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานเอทีวันเออดีแล้วดีที่รู้ทันบางครั้งหนูดูแล้วเหมือนกับภาตัวเองเรงเป็นทุกคนแหละมันอดภาคไม่ได้เจออะไรมันก็บรรยายไปเรื่อยๆบางทีก็ตั้งตัวเป็นศาสดานะอบรมสั่งสอนตัวเอง กินก็ปรุงนั่นแหละปรุงดีอบรมตัวเองไปเรื่อยๆก็รู้ทันมันแต่รู้ไปอย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแต่งดีแล้วที่เห็นใช้ได้แล้วดูไปเรดีขึ้นละสองคนนะใช้ได้แล้วนี่ดีเลยอืมเออดี เออดีๆที่เห็นนะเห็นไม่จิตไม่เที่ยงนะมาเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ได้สอนอะไรเยอะบอกซ้าแล้วซ้ำอีกนะสอนให้ดูสภาวะเพ้นถ้าเราเห็นสภาวะนะจิตของเราเป็นอย่างนั้นจิตของเราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปเดี๋ยวก็เบาเดียเด๋ยวหนักนะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวฟุ้งซ่านดูไปเรื่อยๆใช้ได้ดูไปเรื่อย ๆ, ป, อยๆปัญญามจะได้กเกิดอย่ารีบร้อนไปดูความว่างนะเมื่อวานก็มีคนมาบอกไปเรียนมา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 ความคิดเป็นธรรมารมมันหนึ่ง น, นะความคิดไม่ใช่จิตนะความคิดเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นธรม ร, มนนธรมารมณ์อย่างหนึ่งคําว่าธรรมารมเป็นธํากว้างคือทุกสิ่งที่รู้ด้วยใจ เ, เรียกว่าธรรมารมณ์เริ่มได้แต่รูปบางอย่างอย่างเ ร, เราหลับตานะแล้วเราขยับเนี่ยร่างกายเราเคลื่อนไหวรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยรู้ด้วยใจไม่ได้รู้ด้วยตาเรียกว่ารูปที่เคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเป็นธรรมารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นธรรมารมนะ สมมติบัญญัติคือเรื่องราวที่คิดเป็นธรรมารมณ์นิพพานก็เป็นธรรมารมณ์เพระฉะนั้นธรรมารมณ์มีเยอะเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยเรียกสมมุติปัญญัติไม่ใช่จิตนะเรื่องราวที่คิดแล้วถ้าต่อไปเริ่มเริ่มคิดว่าจิเริ่มจิตแล้วเนี้ยมีความควรระวังไม่มีความควระวังเลยอย่าไปแทรกแต่งมันก็แล้วกันนะพอเริ่มสติเกิดอยากให้สติเกิดบ่อยๆว่าอยากจะรู้ว่า กิเลสมันเกิดตอนไหนพยายามไปดักเอาไว้ก่อนบ้างเนี่ยแทรกแต่งละผิดปกติและให้ตามรู้ไปตามธรรมชาติอย่าไปดักไว้ก่อนนะอ่าแม่เมย์ว่างไงแม่เมอหตแล้ว่าเฉลี้ก็อิ้ก่เลว้ก็อิิะ้สกาเฉลียวแล้วก็อ้ท่าเฉลีอิแล้วก็ท่เฉลี็อิท่เี็อลท่าียกิ้่แก็อิจะท่ีอินะ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 หลังจากนั้นจะต้องย้ายย้ายไปอยู่ศรีราชาบางคนถามว่าทําไมต้องไปอยู่ชนบุรีอยู่ที่ไปอยู่ชนบุรีเพราะว่าหลวงพ่อมนตรีนะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลรุ่นก่อนหลวงพ่อหลวงพ่อก็เคารพท่านเหมือนพี่ชายนะท่านเหมือนพี่ชายเพราะพ่อเราตายคือหมดหลวงปู่นะเราก็รู้สึกว่าที่พึ่งของเรานะก็คือพี่ชายเรายัางอยู่แต่หลวงพ่อเป็นเป็นน้องที่ไม่ยุ่งกับพี่นะ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 ที่ต่อไปนะสร้างศาลาใหญ่ๆอยู่ตรงนี้แหละตอนเช้าเราคุยกันอย่างนี้ตอนบ่ายๆท่านก็ให้คนโทรมาบอกนะว่าที่เก่านี้ไม่เอาหนุกหู <laughs> ชาวบ้านแถวนี้ชอบเปิดเครื่องเสียงเสียงดังที่นี้ไม่เอาอีกวันนึงเราก็มาประชุมใหม่งั้นเราย้ายไปอยู่ใกล้ๆหน่อยอยู่นครปฐมเนี่ยะชาวนครปฐมมาที่นี่เยอะบ่ายๆท่านก็โทรมาอีกละให้คนบอกมา แล้วความประทัไม่เอาเหม็นขี้หมูหลวงพ่อเอ๊ะตรงไหนก็ไม่เอาสักที่หนึ่งเนาะหลวงพ่อก็เลยไปกราบเรียนท่านไปหาท่านอะไปถามท่านเลยว่าท่านจะให้อยู่ที่ไหนบอกมาเลยนะเอท่านบอกให้ให้ไปอยู่ชนบุรีอา้าวท่านให้ไปอยู่ชนบุรีผมจะไปอยู่ชนบุรีนะเพราะฉะนั้นเลยไปอยู่ชนบุรนะีอันนี้ท่านก็ให้คุณอ้อยคุณที่ตีนา่านศะพัทธุลบ้านก็อยู่ชนบุรี ให้เป็นเป็นอะไรแกนกลางในการไปหาที่ไปสร้างขึ้นมานะที่ใหม่อยู่ที่บ้านโค้งดารานะชื่อบ้านโค้งดาราทางเข้าบ้านโคงดาราเนี่ยถ้าเราไปถนนบายพาสนะ อ, ออกจากมอเตอร์เวย์ไปจะเข้าบายพาสไปจะไปพัฒทยานะก่อนจะถึงซอยส่วนเสือซอยหนึ่งจะมีทางเข้าทางซ้ายมือเข้าบ้านโคงดาราก่อนถึงส่วนเสือ ฝั่งตรงข้ามกับซอยที่จะเข้าบ้านโคงดาราเนี่ยมีร้านขายของแม่กิมบวยยนี่มีแลนด์มาร์คนะคือแม่กิมบุ้ยเข้าไปก็เก้ากิโลนะเข้าไปถนนลาดยางตลอดแต่ขับรถต้องระวังเพราะว่ามีรถบรรทุกสายเยอะเั่นถนนบางทีเป็นหลุมเหมือนกันถ้าใครเข้าซอยบ้านโคงดาราไม่ทันซอยถัดไปคือซอยส่วนเสือเข้าได้เหมือนกันเข้าซอยส่วนเสือไปวิ่งผ่านหน้าสวนเสือนะ พอพ้นส่วนเสือปุ๊บพ้นหน้าส่วนเสือปุ๊บเนี่ยจะมีซอยเลี้ยวซ้ายติดกับรั้วส่วนเสือเขาอีกให้ลเลี้ยวซ้ายไปเลยมันจะไปชนกับถนนที่เข้าบ้านโค้งดาราแล้วแหละมันวบกลับลงมาเพราะงั้นไปง่ายนะไปง่ายแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปหลวงพ่อพบว่ามีคนแอบไปเรื่อยๆแล้วพวกช่างนะเขายุ่งยาก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 นี่แถลงข่าวให้ทราบนะไม่ใช่เพื่อให้ไปนะบอกตอนนี้อย่าเพิ่งไปนะรอให้เปิดก่อนเราค่อยไ ป, ไปนะส่วนวันเปิดใครจะไปก็ไม่เป็นไรไปได้นะนี่หลวงพ่อจะสอนที่นี่อีกสองวันนะสองวันนั่นไม่ได้หายไปไหนนะไม่ต้องตกใจนะระหว่างนี้จะไม่เจอหลวงพ่อประมาณเดือนหนึ่งนะระหว่างนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ฟังตีเดียว รับรองรีดีหลวงพ่อมีทุกคำตอบนะีดีนี่โยเป็นคนทำให้นะคุณโยหายไปไหนแล้โยอ่อนนั่นนะอตบมือให้โยหน่อยนะอบางคนก็สงสัยแล้วที่นี่ทำยังไงดูสีห่วงสมบัติคนอื่นนะที่นี่เดินเป็นที่ของเสียอาในบ้านอยู่ติดกันเนี้ย เขาถวายให้ท่านอาจารย์สุจินท่านอาจารย์สุจินท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเหมือนกันลูกศิษยหลวงปู่หลุยลูกศิษหลวงปู่ดูลอนท่านตอนนี้ท่านอยู่ที่แม่สอดงั้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของท่านเดี๋ยวท่านก็หาพระมาอยู่เองเี่ยตอนหลวงพ่อจะบวชยวาหาที่จะบวชนะหลวงพ่อมนตรีเป็นคนชวนหลวงพ่อบวชเป็นคนชวนบวชแล้วท่านติดตินบนหลวงพ่อเยอะเลยะบอกว่าถ้าหลวงพ่อบวชแล้วท่านจะให้อยู่ด้วยตอนนั้นท่านยังไม่เคยรับไปเลย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 หลวงพ่อนะเลยหลวงพ่อมนตรีท่านเป็นคนชวนให้บวชนะพอบวชแล้วเขียนจะตอ น, ตอ น, ตอนจะบวช น, นะเขียนจดหมายไปบอกท่านเอาละผมจะบวชแล้วจะมาอยู่ด้วยนะท่านก็บวชปูปีปูปีแหมความจาดีเลยถล้วตอนนั้นท่านยังไม่ได้รับละไว้ด้วยหลวงพ่อบอกอ้าวท่านไม่เต็มใจนะยังไม่อยากให้เราไปอยู่ด้วยแล้วเขาไม่ไปอย่างเงี้ดีถ้าจะรยสุจินท่านมีที่ตรงนี้ก็เลยมาช่วยกันสร้างที่ที่นี่ขึ้น ลูกศิษรุ่นแรกๆลรรูกศิษพวกพวกที่เล่นเน็ตนะะมาช่วยกันสร้างที่นี่ขึ้นแต่ศาลานี้มีคนเดียวเลยนะสร้างคือก้องเป็นคนสร้างที่อด็ตอร์ก้องะลงทุนสร้างดก็กเรก้องก็เลยบ่นนะบอกหลวงพ่อไม่ได้ย้ายศาลาไปด้วยเ <c oughs> สียดายศ <c oughs> าลานี้ได้ทําประโยชน์แล้วนะได้ใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วไม่ได้เสียเปล่าไว้ไม่เจอกันเดือนหนึ่งนะไม่เจอกันเดือนหนึ่ง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 อันหนึ่งคือกรารยานามิตรได้แก่ครูบาอาจารย์อันที่สองคือโยนิโสมนัสิการใครมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่งนี้ก็พอไปได้ละแล้พระพุทธเจ้าเคยสอนนะว่ากรารยานามิตรคือทั้งหมดของอริยมรรคอีกที่หนึ่งท่านสอนในโกลวารากันท่านก็พูดว่าโยนิโสมนัสิการคือทั้งหมดของอริยมรรคคือเครื่องหมายแรกของอริยมรรค เพราะฉะนันถ้าเราหาครูบาจารย์เราก็ใช้โยนิโสมนัสิการโยนิโสมนัสิการไม่ใช่แปลว่าคิดปร้งต้านคิดพิจารณาธรรมะไม่ใช่มันเป็นการพิจารณาอย่างแยบถ่ายแยบถ่ายเนี่ยเอาอะไรวัดไม่ใช่เอาตัวเองวัดต้องสอดคล้องกับคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้ายกตัวอย่างบางครั้งหลวงพ่อเคยภาวนาสมัยก่อนจินตไปสว่างนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าดีไม่มีกิเลสแต่หลายๆวันมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะ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 เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีทางเฉพาะตัวอ ย, อย่างคําว่าจะมาฐานอย่างนี้เท่านั้นที่ถูกอย่างอื่นผิดเลยเนี่ยนี่เป็นคําโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นขัดกับคําคสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานสี่ถ้ายังอะไรอยู่ในเรื่องสติปัฏฐานสี่อยู่ในเรื่องการเจริญสติที่ถูกต้องนะก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนี่ค่อยๆเรียนค่อยๆฟังค่อยๆสังเกตนะ หรืออย่างสมมุติว่าเรานั่งหายใจไปนะใจสว่างว้างนะมันคนคิดว่าเป็นพระอระหันทุกเช้าเลยพอตื่นขึ้นมาใจมัวหน่อยหน่อยรีบหายใจแล้วใจก็ว่างขึ้นมาอีกนี่เป็นพระอรหันต์ที่หันเข้าหันออกนะอย่างนี้เราก็ต้องมีโยนิโสมนสิการ <c oughs> ไม่ใช่ของแท้เ <c oughs> นี่ยต้องค่อยๆสังเกตเอาต้องช่วยตัวเองให้มากๆอย่ากเกาะครูบาอาจารย์อย่าพึ่งแต่ครูบาอาจารย์ต้องช่วยตัวเองให้ได้หลวงพ่อนะไม่เกาะครูบาอาจารย์เลยนะ ไปหาหลวงปู ด, ดูลนะไปเรียนแป๊บเดียวกลับมาละไปหาท่านครั้งแรกอ่ะร่วมชั่วโมงนะใช้